ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคถาแล้วครั้งนั้นเกนิยชะชดินผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานกล้าวกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคะถาแล้วเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์ โปรดรับพตาตหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าเมื่อเกนิยะชะดินกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเกนิยะภิกษุสงฆ์มีมากถึง1250ันรูปอันหนึ่งท่านก็ยังเลื่อมใสในพรามทั้งหลายยิ่งนักแม้ครั้งที่สองเกนิยะชะดินก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภิกษุสงฆ์มีมากถึง 1,250 รูปทั้งข่าพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพรามทั้งหลายยิ่งนับก็จริงถึงอย่างนั้นขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่าแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ตรัสกับเกนิยะชดินว่าเกนิยะภิกษุสงฆ์มีมากถึงหนึรูป อันหนึ่งท่านก็ยังเลื่อมใสในพรามทั้งหลายยิ่งนักแม้ครั้งที่สามเกเนยะชะดินก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภิกษุสงฆ์มีมากถึงหนึ่งพันสองร้ห้าสิบรูปทั้งข้าพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพรามทั้งหลายยิ่งนักก็จริงถึงอย่างนั้นขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์ โปรดรับพัตหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุสนีภาพครั้งนั้นเกนิยะชดินทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งเข้าไปยังอาสมของตนแล้วเรียกมิสหายย่าสาโลหิตมาบอกว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้านิมนต์พระสมณโพดมพร้อมกับภิษุสง์มาฉันพรตาหารในวันพรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายพึงทําความขนขวายด้วยกําลังกายเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดพวกมิสหายและญาสาโลหิตรับคําเกนิยะชดินแล้วบางพวกก่อเตาบางพวกผ่าฟืนบางพวกล้างภาชนะบางพวกตั้งหม้อน้ําบางพวกปูอาสนะส่วนเกนิยะชดิน จะแจงงปรมรด้วยตนเองพราหม์ชื่อเสละได้ฟังคำว่าพุทธสมัยนั้นพราหม์ชื่อเสละอาศัยอยู่ในอาปณะนิคม เป็นผู้จบตรเพศพร้อมทั้งนิคันตุศาสตร์เยตุพศาสตร์อักษราศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวยยกรชำนาญในโลกายาตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษทั้งยังเป็นอาจารย์สอนมนแก่มานบจำนวนสามร้อยคนอีกด้วยสมัยนั้นเจนนยชดินก็เป็นผู้เลื่อมใสในเสลพรามยิ่งนักขณะนั้นเสลพรามแวดล้อมด้วยมานพ300้อคน เดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปยังอาสมของเกนิยชะชดินได้เห็นชนบางพวกกำลังก่อเตาบางพวกกำลังผ่าฟืนบางพวกกำลังล้างภาชนะบางพวกกำลังตั้งหม้อน้ำบางพวกกำลังปูอาสนะส่วนเกนิยชะชดินกำลังจัดแจงโรงปรำด้วยตนเองจึงได้ถามเกนิยชะชดินว่าท่านเกนิยะ จะมีพิธีอาวาหมงคลหรือวิวาหะมงคลพิธีบูชามหายัญจะปรากฏแก่ท่านหรือท่านได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตให้เสด็จมาเสวยพระกระยาหารพร้อมกับข้าราชบริพารในวันพรุ่งนี้หรือเนยนิยชดินตอบว่าข้าแต่ท่านเสแลข้าพเจ้าไม่ได้มีพิธีอาวาหะมงคลหรือวิวาหะมงคล และไม่ได้ทูลเชิญพระเจ้าเพรพิสารจอมทัพมคตเสด็จมาสเสวยพระกรยาหารพร้อมกับข้าราชบริพารในวันพรุ่งนี้แต่พิธีบูชามหาญันได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเนื่องจากพระสมณะโคดมผู้เป็นสักยะบุตรผู้เสด็จออกผนวด จ, จากสักยะตระกูลเสด็จจารึกไปในแคว้นอังคุตราปะพร้อมกับพิสุสงูใหญ่ประมาณหนึรูป เสด็จถึงอาปณนิคมแล้วท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีกิติศัพท์อันงามระจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ละถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าได้ทูลนิมนต์ท่านพระโคดมพระองค์นั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันพัตฐารในวันพรุ่งนี้เสลพราหมณ์ถามว่าท่านเกนิยะ ท่านกล่าวคำว่าพุท ธ, ธะหรือเกนยิยะชดินตอบว่าท่านเสละใช่ข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุท ธ, ธะสเสลพราหมณ์ถามย้ำอีกว่าท่านเกนยิยะท่านกล่าวคำว่าพุทธะหรือเกนิยะชดินตอบว่าท่านสเสละใช่ข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุทธะครั้งนั้นสเสลพราหมณ์ได้คิดว่า แม้แต่เสียงประกาศว่าพุทธะนี้แลก็หาได้ยากในโลกพระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษส2สองประการที่ปรากฏในมนของเราย่อมมีคติเป็นสองอย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่งถ้าทรงอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราษโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะ มีราชนจาจักมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือหนึ่งจักรแก้วสองช้างแก้วสามากแก้วสี่มณีแก้วห้านางแก้วหข้าบดีแก้วเจ็ 7. ปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชสตรูได้ พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชญยาหรือศัตราทรงครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังไปพนวดเป็นบนรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลก เซรพราหม์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเสลพราหม์ถามว่าท่านเกนิยะบัดนี้ท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนเมื่อเสลพราหม์ถามอย่างนี้แล้วเกนิยชะชดินได้ยกแขนขวาชี้บอกเสลพราหม์ว่าท่านเสละท่านจงเดินไปทางบริเวณทิวไม้สีเขียวนั้นเถิดหลังจากนั้น เซลพราหม์พร้อมด้วยมานพสามร้อยคนได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พ, พลางเรียกมานพเหล่านั้นมาเตือนว่าท่านทั้งหลายจงอย่าส่งเสียงดังค่อยๆเดินตามกันไปให้เป็นระเบียบเพราะท่านผู้เจริญเหล่านั้นชอบอยู่ตามลำพังดุดพญาราชสีให้ยินดีได้ยากอันหนึ่งขณะที่เรากำลังสนทนากับพระสมณโคดมท่านจงอย่าพูสดส่อแกขึ้น รอให้เราสนทนาจบเสียก่อนลำดับนั้นเสลพรามได้เข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้พิจารณาดูลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรากายของพระผู้มีพระภาคเซลพรามได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการ ในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคโดยมากเว้นอยู่สองประการคือพระคุยหัานอันเร้นอยู่ในฝัก 2. พระชิวหาใหญ่จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในลักษณะมหาบุรุษทั้งสองประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดาริว่าเซระพรามนี้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32มประการของเราโดยมาก เว้นอยู่สองประการคือ 1. คุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝัก 2. ชิวหาใหญ่จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในลักษณะมหาบุรุษอีกสองประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาพิสังขารให้เสรลพรามได้เห็นพระคุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝักและทรงแลพระชิวหาสอดเข้าไปในช่องพระกันทั้งสองข้างกลับไปกลับมา สอดเข้าช่องพระนาศิกทั้งสองข้างกลับไปกลับมาทรงแผ่พระชิวหาปิดทั่วมณฑลพระนาราศเซรพรามกับสิทธิกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท ครั้งนั้นเซลพรามได้คิดว่าพระสมณะโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการบริบูรณ์ไม่บกพร่องแต่เรายังไม่ทราบว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เราได้สดับเรื่องนี้มาจากสำนักของพรามทั้งหลายซึ่งเป็นคนชราเป็นผู้ใหญ่เป็นอาจารย์และป่าาจารย์ผู้กล่าวกันว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏในเมื่อบุคคลกล่าวถึงคุณของพระองค์ทางที่ดีเราควรชมเชยพระสมณะโคดมเฉพาะพระพักเป็นคถาที่เหมาะสมลำดับนั้นเซลพรามจึงชมเชยพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพักด้วยคถาที่เหมาะสมว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์เสด็จอุบัติมาดีแล้วมีพระวิริยะภาคมีพระวรกายสมบูรณ มีพระรัสมีเรืองงามเป็นผู้หน้าทัศนายิ่งนักมีพระชวีวันเปล่งปลั่งดังทองมีพระเขี้ยวแก้วขาวสะอาดเพราะพระลักษณะมหาบุรุษที่มีปรากฏแก่มหาบุรุษนั้นย่อมมีปรากฏในพระวรกายของพระองค์อย่างครบถ้วนพระองค์มีพระเนรแจ่มใสมีพระพักผุดพองมีพระวรกายสูงใหญ่ตรงมีพระเดช ทรงรุ่งเรืองอยู่ในถ้ำกลางหมู่สมณะเหมือนดวงอาทิตย์รุ่งเรืองอยู่พระองค์เป็นภิกษุมีคุณสมบัติงดงามน่าชมมีพระชวีวันผุดพองดังทองพระองค์มีพระวั น, นะสูงส่งถึงเพียงนี้จะเป็นสมณะไปทาไมพระองค์ควรเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิที่องค์อาจในหมู่พลรถทรงปราบรามไพรีชนะทรงเป็นใหญ่ในภาพพื้นชมพูทวีป ซึ่งมีสมุดสาครทั้งสี่เป็นขอบเขตข้าแต่พระโคดมขอเชิญพระองค์ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจักรพัทจอมนุษย์ตามพระราชประเพณีที่กษัตริย์รธิราชโดยพระชาติได้เสวยราชมีหมู่เซวกามาตเสด็จตามพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาว่าเสละพรามเราเป็นพระราชาอยู่แล้ว เคอเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมยังธรรมจักที่ไม่มีใครใครหมุนไปได้ให้หมุนไปได้เสรพรามกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพระองค์ทรงปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมทั้งยังตรัสดยืนยันว่ายังธรรมจักให้เป็นไปใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์ผู้เจริญ เป็นสาวกผู้ประพฤติตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ผู้เป็นศาสดาใครจะช่วยประกาศธรรมจักที่พระองค์ทรงให้เป็นไปแล้วนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยพระคาถาว่าเสลพรามสารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตจะช่วยประกาศธรรมจักที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราให้เป็นไปไว้แล้วพรามเราได้รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่ง ได้เจริญธรรมที่ควรให้เจริญได้ละธรรมที่ควรละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าพราหม์ท่านจงขจัดความสงสัยในตัวเราเสียจงน้อมใจเชื่อเราเสียเถิดการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนืองๆเป็นโอกาสที่หาได้ยากผู้จะปรากฏเนืองๆในโลกย่อมเป็นการหาได้ยากพราหม์เรานั้นเป็นพระพุทธเจ้า เป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือคิเลสชั้นเยี่ยมเราเป็นผู้ประเสริฐสุดไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมารและเสนามารได้ควบคุมอ ม, มิตรทั้งหมดไว้ในอำนาจไม่มีภัยจากที่ไหนเบิกบานอยู่เซรพรามกล่าวด้วยคาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระองค์จงทรงไคลครวนคำของข้าพระองค์นี้เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุ เป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือกิเลสเป็นมหาวีระตรัดไว้เหมือนพญาราชสีบันเลอศีหนาตอยู่ในป่าใครเห็นพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐสุดไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมารและเสนามารได้จะไม่พึงเลื่อมใสเล่าถึงคนผู้เกิดในตระกูลต่ำก็ยังเลื่อมใสผู้ปรารถนาจะตามฉันก็เชิญมาหรือผู้ที่ไม่ปรารถนาก็เชิญกลับไป ฉันจะบวชในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสรฐนี้มานพเหล่านั้นกล่าวด้วยคาถาว่าหากท่านอาจารย์ประทับใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้แม้เราทั้งหลายก็จะบวชในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสรฐพรามสามร้อยคนนี้พากันประนมมือทูลขอบรรพชาว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัส ด, ด้วยพระคาถาว่าเสละพรหมจรรย์เรากล่าวไว้แล้วผู้บรรลุจะเห็นได้เองให้ผลไม่จำกัดการในศาสนาที่มีการบรระชาไม่ไร้ผลเมื่อคนที่ไม่ประมาทมันศึกษาอยู่เสลพรามพร้อมทั้งบริวารได้รับการบรญรชาอุปสมบท ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วเมื่อล่วงราตรีนั้นไปเจนิยะชดินสั่งให้จัดของเคี้ยวของฉันอันประนีตไว้ในอาสมของตนแล้วส่งคนไปกราบทูลพัตตการว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาแล้วพระตาหารสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่าครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาศกถือบาทและจีวร เสด็จไปยังอาสมของเกนิยะดินและประทับบนพุทธาฏที่ปูลาดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จากนั้นเกนิยะดินได้อังคาดภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มน้ำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีต ด, ด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคสวยเสร็จทรงวางพระหัตแล้วเกนิยะดิน เลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระพุทธเจ้าทรงธรรมอนุโมทนาแก่เกนิยะชะดินพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่เกนิยะชะดินด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่า การบูชาไฟเป็นการบูชายันอันประเสริฐว่าด้วยเรื่องชั้นสาวิตรีชั้นเป็นชั้นอันดับแรกพระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายสมุทรสาครเป็นศูนย์รวมแห่งแม่น้ำทั้งหลายดาวนักสัตว์ทั้งหลายมีดวงจันเด่นสกาวมวลความร้อนมีดวงอาทิตย์เป็นเจ้าหมู่ชน ผู้มุ่งแสวงบุญอยู่มีพระสงฆ์เท่านั้นเป็นทางเจริญแห่งบุญแท้จริงของผู้บูชาครั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำอนุโมทนาแกเคนิยชดินด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วก็เสด็จลุกจากพุทธอา จ, จากไปต่อมาท่านพระเสละพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารจากไปอยู่เพียงลำพังไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจไม่นานนัก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 พร้อมกับภิกษุผู้เป็นบริวารได้เป็นพระอรหันต์จํานวนหนึ่งบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นท่านพระเสละพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับห่มจีวรเฉียงบ่าประคองอัญเชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลด้วยคาถาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุ ข้าพระองค์ทั้งหลายถึงพระองค์เป็นรณะครบแดวันนับจากวันนี้จึงเป็นอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายฝึกฝนตนสำเร็จในศาสนาของพระองค์ใช้เวลาเจ็ดวันเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นพระมุนีผู้ครอบงำ ม, มารได้ทรงตัดอนุสัยกิเลสได้ทรงข้ามห่วงน้ำใหญ่คือสงสารได้แล้ว ยังทรงช่วยหมูสัตว์นี้ให้ข้ามตามไปได้ด้วยพระองค์ทรงล่วงพ้นอุปธิได้ทําลายอาสวะได้แล้วไม่มีอุปท า, านและความหวาดกลัวภัยได้เหมือนพญาราชสีไม่กลัวต่อหมูเนื้อภิกษุส0 0ร้อรูปนี้ยืนประนมมืออยู่กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแกล้ า, ลาขอพระองค์โปรดเยียดพระยุคลบาทออกเถิด ขอเชิญท่านผู้ประเสริฐทั้งหลายถวายอภิวาทพระบรมศาสดาเถิดดังนี้แลเซลสูตรที่สองจบสามอสลายณะสูตร ว่าด้วยอัศลายณะมานกข้าพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขตครุงสาวัตถีสมัยนั้นแลพรามผู้มาจากแคว้นต่างๆประมาณห้าร้อคนพักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นพรามเหล่านั้นได้คิดว่า พระสมณโคโดมนี้ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วันณะสี่จำพวกใครหนอจะสามารถเจราจาโต้อตอบกับพระสมณโคโดมในคำนั้นได้สมัยนั้นมานพชื่ออสศลายณนะอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มโกลสีสะมีอายุ16ปีนับแต่เกิดมาเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งเนคันทุศาสเกตุพศาส อักรษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวกรณ์ชํชำนาญในโลกายาตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษครั้งนั้นพราหมณ์เหล่านั้นคิดกันว่าอสลายนณมณผูนี้อาศัยอยู่ในครูสาวัตถียังเป็นหนุ่มและถึงชำนาญโลกายาตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเขาจะสามารถเจรจาโตอตอบกับพระสมณะโคดมในคำนั้นได้ ลำดับนั้นพรามเหล่านั้นพากันเข้าไปหาอัศลายณะมานพถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพ่ออสลายนะพระสมณะโคโดมนี้ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วันณะสีจ่จำพวกพ่ออัศลายณนะจงไปเจรจาโต้อตอบกับพระสมณะโคโดมในคำนั้นเถิดเมื่อพรามทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วอสศลายณะมานพได้กล่าวกับพรามเหล่านั้นว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ทราบว่าพระสมณโคโดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้ยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคโดมในคำนั้นได้แม้ครั้งที่สองพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอสศลายนะมานพว่าพ่ออสศลายนะพระสมณโคโดมนี้ ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วั น, นะสี่จำพวกพ่ออศลายณะจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณะโคดมในคำนั้นเถิดพ่ออศลายณะได้ประพฤติวิธีบรระชามาแล้วแม้ครั้งที่สองอศลายณะมานพก็ได้กล่าวกับพรามเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ทราบว่าพระสมณะโคดมเป็นธรรมวาที ที่บุคคลจะพึงเจราจาโต้ตอบได้ยากเขาพเจ้าไม่สามารถจะเจราจาโต้ตอบกับพระสมณโคโดมในคำนั้นได้แม้ครั้งที่สามพรหมามเหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัศลายณะมานพว่าพ่ออัศลายนะน พ, ออยนะพระสมณโคโดมนี้ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรนละสี่จำพวกพ่ออศลายณนะจงเข้าไปเจราจาโตตอบกับพระสมณโคโดมในคำนั้นเถิด พ่ออสลายนะได้ประพฤติวิธีบระชามาแล้วพ่ออสศลายนะอย่ายอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่รบเลยเมื่อพรามเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วอสศลายนะมานพได้กล่าวกับพรามเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพระเจ้ายอมไม่ได้แน่ได้ทราบว่าพระสมณะโคโดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้ยาก ข้าพเจ้าคงไม่สามารถจะเจรจาโต้อตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แต่ข้าพเจ้าจากไปตามคำของท่านทั้งหลายเรื่องวันศีรษะจัมพูกลำดับนั้น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 วันนะที่ขาวคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นดำพรามเท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พรามไม่บริสุทธิ์พรามเท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมในเรื่องนี้ท่านพระโคดมได้ตรัสไว้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัศลายณนะ นางพรามนีของพรามทั้งหลายมีระดูบ้างมีคันบ้างคลอดบุตรบ้างให้บุตรดื่มนมบ้างปรากฏอยู่พรามเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้เกิดจากโยนีเหมือนกันยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นเลววันนะทที่ขาวคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นดำพรามเท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พรามไม่บริสุทธิ์พรามเท่านั้นเป็นบุตร เป็นโอรสเกิดจากโอดของพรมเกิดจากพรมเป็นผู้ที่พรมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรมอัลายณะมานกกราบทูลว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนี้ก็จริงแต่เรื่องพราหม์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหม์เท่านั้นและถึงเป็นทายาทของพรมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอสลายนะ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านได้ฟังมาแล้วหรือว่าในแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตะชนบทอื่นๆมีวันนะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือหนึ่งเจ้าสองาตเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาตเป็นทาตแล้วกลับเป็นเจ้าอัศลายณะมานพทูลตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเคยฟังความข้อนั้นมาแล้วอย่างนี้ว่า ในแคว้นโยโนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวันนะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือหนึ่งเจ้าสองธาตเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาตเป็นทาตแล้วกลับเป็นเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัศลายณนะในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้กล่าวแล้วอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้น วันณ่อื่นเลวและถึงเป็นทายาทของพรมอสลายณะมานพทูลตอบว่าท่านพระโคโดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็เข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้ว่าวันณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันณะอื่นเลวและถึงเป็นทายาทของพรมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอสลายณนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร กระสัตถ์เท่านั้นหรือที่เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมผู้เท็จผู้ส่อเสียดพูดคําหยาพูดเพ้อเจอ้อเป็นผู้เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกส่วนพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทยเท่านั้นหรือละถึงสูตรเท่านั้นหรือที่เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมผู้เท็จผู้เสียดผู้คำหยาบพูดเดพดอเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกส่วนพรามไม่เป็นอย่างนั้นหรืออาลายณะมานพทูลตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคโดมแม้กษัตริย์ที่เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์พระพุทธผิดเนกามพูดเท็จผู้สเสียดพูดคำยาบพูดเพ้อเจอ้อเป็นผู้เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแม้พรามละถึงแม้แพทย์แม้สูตรข้าแต่ท่านพระโคดม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 ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพรามทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้ว่าวันณะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวันณะอื่นเลวละถึงเป็นทายาทของพรมอาลายณมานนบทุนตอบว่าท่านพระโคดมตรอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พรามทั้งหลายก็เข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้ว่าวันณะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้น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 ไม่เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฐิหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กษัตัตย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือสูตรไม่เป็นอย่างนั้นหรืออัลาญนมามนบทูลตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคโดมแม้กรัตริย์ที่เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์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 หลังจากตายแล้วจะพึ่งไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอสลายณนะในเรื่องนี้อะไรเป็นกาลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลวและถึงเป็นทายาทของพรมอสลายณะมานพทูลตอบว่า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 ไม่มีความเบียดเบียนกระยัตแพทย์สูตรไม่สามารถหรืออัศลายณะมานพทุนตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคโดมในประเทศนี้แม้กระรัตร์ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแม้พรามละถึงแม้แพทย์แม้สูตรข้าแต่ท่านพระโคดมความจริงในประเทศนี้ แม้วันนะสี่จำพวกก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรถามว่าอัลายณนะในเรื่องนี้อะไรเป็นกําลังอะไรเป็นความยินดีของพรามทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นเลวและถึงเป็นทายาทของพรมอสลายณะมานพทุนตอบว่า ท่านพระโคโดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พรามณ์ทั้งหลายก็เข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้ว่าวันณะที่ประเสริฐที่สุดเทอพราหมณ์เท่านั้นวันณะอื่นเลวและถึงเป็นทายาทของพรมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัศลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบน้ําไปยังแม่น้ําแล้วลอยละอองธุลีได้ กษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถหรืออาสลายณะมานบทุนตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคโดมแม้กษัตริย์ก็ย่อมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองทุลีได้แม้พราหมณ์ละถึงแม้แพทย์แม้สูตรข้าแต่ท่านพระโคโดมความจริงแม้วันนะสีจำพวก ก็ย่อมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองทุลีได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรถามว่าอสศลายณนะในเรื่องนี้อะไรเป็นกําลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลวและถึงเป็นทายาของพรมอสลายณะมานพทุนตอบว่า ท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พรามทั้งหลายก็เข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นเลวและถึงเป็นทายาทของพรหม